พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8ก ร, รกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่านิสัยของงูเหลือมวันนี้เป็นวันที่8ด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 กุติเหมือนกับเศษคาถาอะไรนะเิรมิตขึ้นเป็นแถบๆไปพระก็จะให้พระจำพรรษาประมาณทอย่างน้อยทั้งห้าถึงเจ็ดรูปนะกุติหลวงพ่อที่เขาทำสำรองก็คิดว่าคิดว่าจะเสร็จวันนี้เขาถมกำลังดินกำลังถมถมดิน รอบบริเวณนะอันนี้ก็คือกุฏิใหม่แต่วันนี้ทราบว่าทางวัดป่าบ้านตาดทำบุญครอบรอบสถานีวิทยุของหลวงตาแปดปี8ปีปีนี้นะที่ทุนกระหม่อมฟ้าหญิงจุราพรมาเปิด ตรงตายังสงทตดขันอยู่เปิดสถานีวิทยุเสียงธรรมจากนั้นก็ไม่ได้ทำบุญแต่ปีนี้มันมีปัญหาเขาปิดสถานีมัง้งก็คงจะรวบรวมคู่คนยังไงก็ไม่รู้ละแต่ก็ลุงพ่อพระมีภารกิจไม่เทยไปเลยสงพระไปเมื่อเช้านีสี่รูป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 มีแต่สวนมันสวนยางพาลาเป็นสวนมากแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายจะกินอะไรเมื่อเข้ามาสู่วัดของเราก็ไม่มีผลไม้ไม่มีลูกใสไม่มีผลไม้กินก็ยังไงอยู่แห้งแล้งเกินไปหลวงพ่อว่าเพรานั้นหลวงพ่อจึงเน้นพวกขนุนบั่งมะม่วงบั่งอะไรบัางแต่หลวงพ่อไปเห็นขนุน ตามต้นผวกกลิงพวกกรอกกระแตมันกินนะลุงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเหตุไรเพราะมันอาหารของมันกินเอถอะแต่มันเฉพอจะกินอันไหนได้พบประทางชีวิตของมันถ้าเราอยากให้มันเหลือมันแล้วคื อ, อพวกพระศรัทธายาโจมจะเอามากินก็ได้ไม่เป็นไรอีกแต่เราก็ไม่ได้หวงได้ห้าม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 ใกล้งูเหลือมหลังงูเหลือมแต่กูบาก็ไม่รู้ว่านะั้นคือเป็นหลังมันก็ไปทําไปไข่อยู่ที่นั่นเลงูเหลือมไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่น้อยนะใหญ่กวักวโคกนะโคกเล็ดนะใหญ่กวโคกเล็ดนะแต่คนตัวที่สองนี่เกือบจะเท่านะั่นโคกเล็ดเหมือนกันนะสองตัวงูเหลือมสองตัว แต่นนี้เออเออตัวเหี้ยและตัวตะกวดก็ไม่ลู้่ะไปวนๆมันก็คงอยากจะไปกินไข่มันมั้งมันก็ฟูดฟวาดออกมาเลยงูเหลือมนะมันก็คงหวงไม่มีอะไรที่จะหวงยิ่งกว่าลูกน้อยของมันนะไม่ว่าสัตว์ประเภทไหนงูจงอางก็ฟักไขก่ดูสิงูเหลือมสัตว์ตัวไหนก็ตามถ้ามีไข่มีลูกแล้วมันหวงทั้งหมดขนาดคนก็ยังหวงลูกน้อยตัวเองใช่ พวกไก่พวกนั่นน่ะสู้ตายเลยแหละเห็นคนอะไรจะมาใกล้ลูกของมันมันก็หวงตัวนี้มันคือเหมือนกันถึงจะเป็นงูเหลือมมันก็หวงพวกตะกวดเ้าไปวนมั น, นไล่ออกมาพอออกมาพระก็เห็นมันมาอะไรเห็นต่ตะกวดวิ่งผ่านพระไปพอเห็นผ่านมาพระไปพระก็คิดว่ามันจะหยุดมัน จะไล่พระอีกทีไหนพระก็ต้องได้วิ่งหนีออกมันกันเพราะมันงูเหลือมอ่ะตัวผู้ใจญพอมาก็เลยมาบอกพระอชวนพระไปดูมันเป็นอะไระมันเข้าไปตรงนี้แล้วนะพระก็ถือไม้ยาวๆเป็นหลายคนพอไปเห็นพอมันเห็นคนมันก็เลยขยับเข้าไปที่ไหนเห็นโอมันทําไม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 ไปทำรังใกล้ๆกันห้ดเนี่ยคงคงจะปกป้องดูแลอันตรายช่วยยกันมั้งมันก็เลยทำไข่อยู่ใกล้ๆกันอยู่ในโพรงอันเดียวกั น, นงูเหลือมสองตัวเนี่ยเราหลวลงพ่อได้ยินพระเล่าๆล่าบอกให้ฟังหลวงพ่ออูไม่ได้นะลูกหลานสู่เจ้าอย่าไปใกล้มันเด้อเพอเผยไม่อยากจะให้พระไปอยู่ในใกล้ๆแถบนั้นอีก กุฏิหลังนั้นน่ยก็ต้องไปตัดญ้าให้ไกลๆตัดยาให้ห่างๆจากถนนดูแลให้กว้างไว้แต่ว่าถ้าถึงยังไงกลางกลางคืนเนี่ยเราสายไฟเป็นก็ต้องเหตุนั้นแสงของมันมันจะสะท้อนม า, า ก, กับไฟชายนเนี่ยข้อสำคัญ อ, อย่าไปคุยการก้มหน้าก้มตาไม่คิดไม่อ่านไปนะไม่ได้นะแต่ลุงพ่อขนาดงูขนาดนักินคดไม่ได้หรอกแต่ถึงยังไงมันรัดคนตายได้นะ ถ้ามันโมโหขึ้นมาแลวก็โดดพุ่งมาเลยนะพอกระโดดพุ่งขาบกบขาบกบใส่คนแนละ้วก็วิ่งมุเอียงตัวเลยนะรเร็วยิ่งกว่าเร็วนะ่ะจากนั้นก็รัดตัวเนี่ยเห็นตะคอทนะ เ, เห็นตะคอพ้นออกมานะเลยพอมันรัดเสร็จแล้วมันยังม่แล้วเนดะ้หางของมันนะเออหางของมันนะแย่เข้าปากเลยนะเด้แย่เข้าปากสัตว์ผูปากมันอาด้ มันเอาหางแย่เข้าปากเพื่อให้สัตว์ตายมันจะฆ่าวิธีการฆ่าเขามันหรือแย่แย่เข้าตูดหรือแย่เข้าปากเขาว่างน่ะใไอผกสัตว์พวกนี้่มันมีวิธีกรรมของมันวิธีการของมันเหมือนกันนะเวลามันรัดสัตว์ได้แล้วไม่ใช่รัดเฉยๆนะชัดเนยกระดูกหักไปหมดกระดูกคนี่ะเล้าหักเลยล่ะไอจากหมาในเหมือนกันเห็นแต่หัวของมันโผล่ออกมานี่ยมันลัดเนีตร้องแง่ทีเดียวเท่านั้นะ พะนธพระของเราให้ระวังเน้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระจากกรุงเทพเนเื่อเสื่อาซาไม่ไม่เคยป่าดให้ระมัดระวังอยากไปดูดูทำไมมันก็หวงของมันมมันก็กลัวคนยิ่งกว่าอะไรอีกพวกเราจะไปใกล้มันเถอะให้มันอยู่ให้มันอยู่ซะแต่ตามไม่จริงถ้าเราเห็นงูธรรมดาหลวงพ่อจะให้จับอไปปล่อยวัดนาแคร์นวัดหลวงพ่อศักดิ์ เปิดมาวัดมาฉันจะขันวัดหลวงพ่อวันนี้ไปปล่อยวัดนาแขทําไมยังไปปล่อยวัดนาแขเพราะมันมีน้ําแล้วก็เนื้อที่ทั้งห0 0พักว่าไร่มาติดตีนเขาภู ก, ก้อนมันที่กว้างขวางของเราเนะี่ยมีกำแพงล้อมรอบ1300กว่าไร่แต่วัดนาแขหนึ่ง 5,000 ันกว่าไร่เพราะนั้นที่จะไปปล่อยพวกสัตว์เหล่านี้ก็ไม่รบกวนคนไม่รังแกไม่ไรบกวนคนเพราะมันที่มันกว้าง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 พวกลือศีเหล่านี้เป็นผู้มีศีลมาอยู่กับลือศีผู้มีศีลคงจะไม่เบียดเบียนเรามัง้งฮะมันก็เลยมัดฟักไข่อยู่นั่นบนนั้นพวกเราอย่าไปรังแกมันลือศีทั้งหลายไปรังแกมันไม่ได้เรื่องนะให้มันออกไข้ซะก่อนยังคอยจับมันเพราะว่าเรื่องงูเหลือมเนะี่ยลุงพ่อได้ศึกษามาพอสมควรเพราะลุงพ่อน่ยเป็นคนป่า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 พลังนี่แสดงความโกรธของมันมันสู้กับอริศัตรูของมันเพราะนั้นมันเร็วเร็วมากเลยเขาว่างั้นนะอันนี้ก็คนพูดหลายคนให้หลวงพ่อฟังแต่หลวงพ่อไม่เคยเจอด้วยตนเองเหรอกแต่คนพูดให้ฟังเนี่ยตาแก่คนหนึ่งเคยบวชเป็นเนนอายุมากนะอายุเกือบจะหกเจ็ดสิบแล้วแหะบวชที่วัดหลวงปู่จามสมัยนั้นเขาเรียก ว, ว่า คนที่บวชภายแก่ เ, เขาเรียกว่าเถนถ้ายังไม่ครบ20ี่สิบเขาวันเนนบวชเน น, ะเนแต่นี่คนที่อายุมากแล้วบวชเป็นพระไอ้บวชเป็นพระไม่ได้เพราะรักษาศีลรักษาวินัยไม่ได้เพราะไม่สามารถนะก็เลยขอเป็นบวชเป็นเนนขอบวชเป็นเนนด้วยรักษาศีลสนะิบในบวชเมื่อบวชมาแล้วเขาเรียกว่าตาเถ็น ปวดเป็นเนืนรักษาสิ้นสิบแต่ไม่ใช่พระนะนั่งเลี้ยงพระนั่นแหละกะโดดตะเถนตะเถนสุกถ้าแกเป็นคนไปนั่นน่ะไปทํางานอยู่ทางแถวเซิงเซาสมัยก่อนเซิงเซาเป็นป่าดงพงภัยหนานแน่นเป็นป่าดงมีลวงเรื่อยไม่รั่วเท่าไหร่สมัยเก่าแก่นะเป็นป่าดงหนานแน่นมาก เป็นพวกป่าไม้หอมมังพวกป่าไม้ต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพวกสัตว์ป่าพวกเนี่ยนะพวกปลาเน่ยตะแก่เขาไปเนี่ยไปตักน้ํามันยางก็ไปตัดไปตัดไม้หอมเนี่ยไปหาไม้หอมขายราคามันก็แพงนสมัยก่อนตะแก่ก็ไปตั้งขนมตั้งขนมคือตั้งกระต๊อก ตั้งที่พักอยู่ในกลา ง, ลงโรงด้วยกันสามคนพอพอไปหาไม้ป่าเสร็จแล้วก็อตอนค่ำล้วก็ได้เอากระบองห้วอตะที่เขาเป็นคบเพลิงคบเพลิงไปหาส่องสัตว์สมัยมันมไม่มีไฟฉายหรอกเอาคบเพลิงใส่น้ำมันยางยัดใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วกันน่นไปหา ใต้สัตว์ไปห า, าพวกกบพวกเขียดพวกปลาอยู่ในคลองอพอไปหาแล้วเขาจะเอามากินนั่นละมันปลามันมากพอขึ้นจากฝั่งฝังห้วยมันะแกว่านะพอขึ้นมาจากฝังห้วยเห็นแตงงูเหลือมมันาภาษาทางเราเ็าเรียกว่ามันดอยมันดอยแล้วผมมันยืด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 หน้าไม้เใช่ไหมหน้าเก้งหน้าไม้หน้าจริงสัตว์ออกไปด้วยเขาก็เลยเอาสายของมนะันสายหน้าเก้งนะมาทําเป็นบ่วงฮนะมาเป็นบ่วงเพื่อจะคล้องคองูเหลือมตัวนั้นนะ อ, อ่ะเก็ไม่เห็นว่ามันใหญ่เล็กแต่ไหนเห็นแต่มันเห็นแต่มันยาวเหยียดตอนนะี้กาลังจะคล้องมันทัวนั้นแหละไอ้คนที่ถือไม้คล้องนะ่ะหงายหลังเลยเหมือนนแต่ไอ้คนที่ส่งสองคบเพลิงเนะ่ยยังไม่เห็น ว่าอันทําไมไอ้นี่มันทําไมหงายหลังแต่ที่ไหนได้ไอ้ที่จะใช้ไม้ไปคล้องมันไม้ที่จะไปคล้องคอ ง, งูนั่นแหะที่ไม้ถือไม้ไปใช้เชือกไปที่จะไปคล้องไม้ยาวๆประมาณสักสองสามเมตรมันพุ่งออกมาเลยพวกมามันมันต่ำคนให้หงายท้องเลยงูกระโดดต่ำลงไปในน้ำนํำน้ําหนองเอเล็กๆอยู่ข้างๆ ไอต้ตาแกเนี่ยก็ลงไปเป็นนอนหลังงูเลยวะงูมันก็รัดแต่มันรัดไม่ได้เพราะมันมันนอนหลังของมัน <c oughs> เพราะนอนมันมีแต่ไอ้นี่ก็มีแต่หายท้องอไอ้นี่ก็งงเลยไอ้คนที่สองไฟให้มันเป็นนอนจะทําไมวะพราะฉะนั้นกระโดดมันกระโดดจุ่มลงไปในน้ําอีกมันกระโดดลงไปในน้ําอีกงูเหลือมมันลายไว้เร็วนะท่านเนะเหมืนนอนลงไปในน้ําำไอ้สองหนุ่มนะก็คนเดินตายแต่มันไม่กลัวเด้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 ไม่ถึงคือประมาณจะครึ่งกิโลนี่แหละก็เลยมันขึ้นไปก็เปลี่ยนผ้าแล้วก็เลยขึ้นไปนอนพอขึ้นไปนอนไม่มีฟาที่พักไม่มี ฟ, าไ ม, มฟาไม่มีอะไรขึ้นนอนก็นสามคนเลียงกันก็นมีหมาตัวหนึ่งหมากำลังเริ่มจะเป็นหนุบอยู่ข้างล่างพาอกำลังนอนจะเคิมเคิมหลับท่า น, นแล้ได้ยินแต่ห ม, มามาลอ ง, ง, งนั่งทีเนีย พ่อแขงเนี่ยก็รู้แล้วว่าเสือมาตะคุบหมาเนี่ยคืดเนี่ยอันนี้คือมันอยู่ในป่านี่ยมันต้องที่ว่าเป็นเสือน่ยเสือตะกูดเสือดับเนี่ยมาตะคุบหมาเนี่สามหนุ่มเนี่ยก็กระโดดกันคนละข้างเนี่ยพร้อมกับมีดคนละเล่มอลไรอย่างเงี้กระโดดไปคนละทางโดดไปคนละทางเนี่ยยังเงียบอยู่ก็จะจุดไฟพอจุดไฟสองขึ้นไปดูที่ไหนได้งูเหลือมงูเหลือมตัวนั้นแหละตัวที่มัน ที่มันมันรัดคนไม่ได้เนี่ยมันตามมาอีกมันถูกกินคนตามมาพอตามมาเสร็จแล้วมาสู้กันมันมาลัดหมาก่อนถ้าหว่ามันไม่เห็นหมานะมันก็คงจะขึ้นไปเล่นงานคนน่นะงั้นเถอะอ้นี่ยอันนี้มันมันไปเห็นหมาอยู่ใต้ใต้ถุนขนมซะก่อนที่กระตอบนะมันก็เลยไปลัดหมาอยู่นั่นพอลัดหมาเสร็จแล้คนก็โดดลงไปกัน สองไฟขึ้นไปดูอา้าวฟันฟันก็ยังไปเลือกที่ฟันเลยจะไปฟันที่ตรงบีดีมันน่างันนะพอเสียดายดีมันอีกต่างหากพนั้นหนุ่มไม่ใช่ธรรมดาเลยผนสูก็มีดฟันฟันก็ไปถูกดีมันพอดีอีกแล้วกันนะงูตัวนั้นก็เลยตายใหญ่ขนาดไหนหเราทำขนาดเท่าขางูตัวนั้นใหญ่เลย แต่ผอมเหมนเป็นงูผอมแปลกอยู่กันก <c> ็ <oughs> <ๆ g ülme>งูไม่อ้วนเท่าไหร่ก็ไม่ถึงกับขั้นผอมมาก <c oughs> แทีนี้พอมันตายขึ้นมาแล้วท่นี้ก็เลยตอนเช้ามาเลยอ่ะไปพ่อฆ่ามันตายแล้วก็นปะตัดหัวมันทิ้งตัดหัวมันนะขึ้นไปนอนต่อนะ <c oughs> พอพรุ่งนี้เช้ามาก็เลยไปก่อไฟขึ้นมาแล้วกันเขาเรียกอะไรเขาเรียกหลามหรือล่น เออลนมันเลยแล้ ง, งั้นเอ่อเพื่อจะตัดให้เป็นท่อนๆเอามาเป็นอาหารแต่ละวันแต่ละวันงูเหลือมนะี่ยพอไปกลามเท่านั้นแหละเอาไปล้างน้ำโอ้โหมันเหม็นขาวผิดปกติเลยงูตัวนี้นไม่เคยเห็นบ่า ง, งูงูงูตัวไหนเหม็นขาวถึงขนาดนั้นแต่แกว่านะเหม็นขาวแบบกินไม่ได้เลยแต่โยนทิ้งเลยสงสัยงูตัวนี้ คงจะเคยกินคนมาก่อนเนี่ยคิดได้เพียงแค่นั้นมันคงจะเคยกินคนมาแล้วมันยังเคยมันยังเห็นคนมันยังเออมันจึงอยากจะเอามันอยากจะกินคนเหมือนกันนี่แหละพราะนั้นพวกเราให้รู้ๆเอาไว้นะพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังนี่ยก็คือชั้นเชิงเล่เหลี่ยมงูเหลือมไม่ใช่ธรรมดาพูดง่ายๆให้เราให้ร ะ, ระวังเอาไว้เออมันลักษณะไหน งูมันจะต่อสู้กับคนงูลักษณะไหนที่มันไม่สู้กับคนถ้ามันขดอยู่ธรรมดาเนะี่ยถ้าคนเข้าไปนะไปเห็นมันขดอยู่เป็นเหมือนกระจอมปลวกนะเนี่ยกองอยู่มีแต่หัวมันนอนหัวมัพาดเดี๋วนอนนะนั่นแหละอตัวนั้นไม่เป็นไรโดยมากเขาฆ่ามันฆ่าอย่างนั้นอนะพวกผ่านป่าเนะี่ยเขาจะหาไม้ขนาดเท่าแข้งเนะี่ยมาแล้วก็สอดเข้าไป เขาก็เกีย้ยวหมุนหมอนหมุนหมอ น, นเข า, านะเอะนอพอมันกระเดยอาคอมาพาดไม้เขาอนะะพอมาพาดไม้เท่านั้นนะพวกนี้ไม่มีเมตตาเลยมีแต่จะกินสัตว์เท่านั้นนะพอคอมันมาพาดไม้บอกให้มันมาหมุนหมอนมันก็คอเดคอดอยมาพาดกระหมอนนะพอได้จังหวนะมีดตัดคอมันเลยนะนั่นแหละนี่นแหละ สัปสัตมนุษย์ทางหลายไม่ให้บาปกรรมคูม่ไปเลฆ่าตัดทําอย่างงั้นแหละหนึ่งหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อกระสลดโดหูเหมือนกันได้ยินพอตัดคอปดคอขาดกรนนะเด็นเขาว่า ง, งูเหลือมไม่ตายเกือกเลือดเขาวะนะ่าพอปดมันไหลไปเลยนะไหลลุยลุยลุยลุยลุยไ อ, อพอมันห่างจากที่มันเลือดไหลนั่นนู่นไปดิ่นอยู่นู่น ตัวฟัดตวเวียงตฟัดตวเวียงกระเด่งกระดอนนะเรียกว่างูเหลือมไม่ตายเกือกเลือดนยะคนโบราณเขาพูดนะี้คาเป็นคำพังเผยคล้าๆวะนักเกรงเนะี่ยไม่ตายไม่ตายอยู่กับที่เพรางั้นลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ก็งูเหลือมไม่ตายเกือกกั่วกับเลือดนะอันนี้ก็คือถ้าเป็นลักษณะนั้นนะงูตัวนี้จะไม่มีพิษมีภยัยถ้ามันนอนอยู่อย่างนั้นงูมันเด้งอยู่นะ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 มันมีไข่หรือเปล่าเราจะไปตำหนิมันก็ไม่ได้นะใครๆว่าสรบพรสัตวทั้งหลายมันรู้จังหวะว่ามันมองขึ้นท้องฟ้าเนี่ยช่วงนี้ฝนจะไม่ตกนะเราควรจะวางไข่ได้เลยมันก็วางไข่แต่คนก็เข้าใจว่าพวกงูกทั้งหลายไขออกมาแล้วค้ำฟ้าค้ำฝน เ, เราจะไปหาฆ่ามันทลนี่ยมันไม่ใช่ใครๆมันเป็นมันรู้ธรรมชาติ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 เขามองเขาสังเกตพวกสัตว์ประสาททั้งหลายสัตว์ประสาทบางทีมันรู้กว่ามนุษย์นะออย่างจะไหมสีนามิจะไหมสินามิเนเมื่อภาคหนาวที่แล้วนยอพอสีนามิจะมาไอ้พวกวัวพวกควายอยู่ในหลักที่เขามัดไว้นะก็โอ้โหกระโดดโล ด, ดเต้นไอ้พวกเต่าพวกอะไรก็ขึ้นมาจากทะเลอ ขึ้นมาคลานขึ้นมาหนีขึ้นมาพวกปลาเหมือนกันดิ้นอยู่ฝั่งแต่พวกสัตว์อยู่ในบกนี่ก็อมัดไม่อยู่พอปล่อยเท่านั้นเว้งหนีเอ้าวเลยแต่มนุษย์นี่ชอยพอน้ํามันลดลงไปยังวิ่งไปไล่ไปจับปลายอโอ้โหทำไมน้ําลดขนาดนี้เลยพอมันคืนมันขึ้นมาครั้งที่สองเท่านั้นโอ้โหแปลว่าพวกนั้นแปลว่าเป็นอาหาร ของเต่าของปลาทั้งหมดพญานาคลากลงไปนู่นไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะนี่แหละสรับสรุปแล้วก็คือสัตว์ประสทั้งหลายเนี่ยเขารู้มันคงจะกระเทือนในแผ่นดินกระเทือนในแผ่นดินมันรู้ธรรมชาติของมันแต่แตามไม่จริงพ่อแม่มันสอนพ่อแม่ผมก็ไม่ได้เกิดมาแต่ทําไมมันรู้ยังไงเขามารู้นะนี่แหละ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 เพราะสิ่งที่เราไม่รู้มีตั้งเยอะแยะในโลกงั้นเราอย่าไปคิดว่าเรารู้ทุกอย่างนะรับผ่อนในตนนี้อนุโมทนาให้พอ